เขตชายแดนติดต่อประเทศขเขมรของภาคเหนือแห่งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเส้นทางแสนจะลำบากลำเคินในทุกๆฤดูเรียกว่าเป็นเวรกรรมของผู้ที่ใช้เส้นทางนี้หมู่บ้านมาแวงค่ะตั้งอยู่กลางดงไม้อันหนาแน่นไม่ปรากฏหลักฐานค่ะว่าผู้ใดเป็นผู้รเริ่มในการมาลงหลักปักฐานถึงแม้ว่าจะเป็นกลางดงลึก แต่ก็มีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ50หลังคาเรือนกันเลยทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าดินค่อนข้างต่ำนะคะน้ำค่อนข้างชุ่มจากต้นน้ำหลายสายปลายของทิวเขาตลอดจนชายแดนก่อนจะเข้าพรรษาประมาณเดือนพฤษภาคมค่ะ ก่อนฝนจะมาชาวบ้านมาแวงเนี่ยเขาก็จะได้มีโอกาสต้อนรับพระภิกษุสงฆ์นะคะแล้วก็เป็นพระภิกษุที่สูงอายุราวๆ60ปีเศษท่านก็ได้ทุดงผ่านมาท่านปารลบนะคะว่าเข้าพรรษาปีนี้อาตมาประสงค์ว่าจะมาจําวัดที่หมู่บ้านมาแววงแห่งนี้พุทธบริษัทเขาก็ดีดใจค่ะ ต่างก็แบบว่าปรีดาปราโมทเป็นยิ่งนักก็เลยพร้อมใจกันสร้างกุฏิขึ้นหนึ่งหลังเลือกสถานที่ริมแม่น้ำค่ะเพราะเห็นว่าตรงนี้วิเวกดี ส่วนชาวบ้านมาแวนเนี่ยเขาจะมีอุปนิสัยชอบการทําบุญแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะคะแต่ว่าทุกคนค่ะมีศีลธรรมรักใคร่กลมเกลียวกันดีจึงทําให้หลวงพ่อที่เป็นพระธุดงค์เนี่ยที่ท่านได้มาอาพำนักที่นี่ท่านก็ได้พำนักอย่างสบายใจในพรรษานี้ชาวบ้านก็ได้อยู่เย็ยนเป็นสุขกันมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเดือนสุดท้ายนะคะก่อนออกพรรษาเข้าในานาตั้งรวง อากาศก็เริ่มเย็นแล้วล่ะค่ะโชยมาท้องฟ้าก็เริ่มมืดมิดเพราะว่าเมฆฝนมันหายไปแต่ว่าปุยฝ้ายเข้ามาแทนที่ท้องฟ้าสีเงินตัดกับเมฆงามตายิ่งนักแต่ว่าในห้วยเนี่ยเริ่มขาดแคลนน้ําเพราะว่ามันจะเริ่มกลายเป็นหน้าหนาวไงคะแล้วเราจะต้องเก็บเกี่ยวข้าวอะเนาะแล้วข่าวร้ายค่ะก็กระจายไปทั้งหมู่บ้านหมูแม่พันธุ์ที่มีอยู่ตัวเดียวของนายมิ่งเขาเลี้ยงเอาไว้ใต้ถุนบ้าน มันได้หายไปตอนกลางคืนนายพรานก็ชี้ชัดบอกเลยบอกว่าเสือเนี่ยมาฆ่าไปกินเพราะว่าบริเวณรอบบ้านมันมีรอยเท้าเสือเกลื่อนไปหมดเลยตั้งแต่นั้นมาวัวเอยควายเอยทยอยหายไปเรื่อยๆแม้แต่สัตว์เล็กๆอย่างเป็ดไก่ก็พลอยหายไปด้วยกันเป็นที่หวาดผวาของชาวบ้านมะแหวงคือใครที่มีวัวมีควายเนี่ยต่างก็นํามาผูกรวมกันไว้ในข้อกลางหมู่บ้าน ะะแล้วก็ได้ก่อไฟเปลี่ยนเวรยามกันอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวยิ่งพอค่ำลงหน่อยต่างก็รีบปิดประตูหน้าต่างปิดประตูบ้านกันเงียบเชียบไม่ได้ยินแม้กระทั่งเด็กที่ร้องไห้เพราะว่ากลัวเสือมันจะมาคาบไปกินนั่นเองใครที่มีทุ ร, ระกลางค่ำกลางคืนนะคะก็จะเขาเรียกว่าไงจะไม่มีคนมาเปิดประตูรับเป็นอันขาดคือถ้าปวดท้องก็จะกลั้นไปกั้นไว้อย่างนั้นแหละ แล้วก็จ ะ, ะมีคนมาคุมนะไม่น้อยกว่า3 6ถึงคนยืนคุมพร้อมอาวุธปืนที่มีเนี่ยนะคะหรือว่าใครหยิบได้มีดก็ใช้มีดหยิบได้พราก็ใช้พราส่วนมากจะไม่มีใครกล้าลงจากบ้านเลยนะถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยและแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ชาวบ้านมาแวงต้องสยองขวัญเพราะว่าเสือเนี่ยได้มาคาบเอาหมูของนายอินแล้วก็นางจันสองสามีภรรยาไปกินซะ มาเลี้ยงไว้หลายตัวค่ะแต่ว่าแต่ละตัวล้วนติดมีตัวดุดูเห่าเก่งๆวันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งหมาตัวไหนเห่าเตือนเลยพวกมันมัวไปทำอะไรอยู่ที่ไหนกันพรานก็ได้นำหนุ่มชกันออกตามรอยเท้าเสือก็พบว่าเศษซากของหมูเนี่ยเกลื่อนเป็นทางไปเลยอีกหนึ่งค่ะอีกหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นก็จะออกพรรษาหัวหน้าหมู่บ้าน ก็เลยเรียกลูกบ้านมาประชุมกันถึงเรื่องเรื่องงานบุญปีนี้ว่าสรุปว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าได้มีเสือเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็ได้มีผู้กล้าหารประมาณ 5-6 คนอาสาออกไปจัดการกับเสือร้ายโดยนายพรานเนี่ยค่ะงคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะพรานคงชื่อพรานคงนะคะก็ได้ให้ในายวินอีกคนหนึ่งที่ชื่อนายวินเอาหมูออกไปผูกล่อเสือตรงกลางทุ่งแล้วพวกเขา ก็ทําห้างที่ต้นไม้ใหญ่คอยจ้องมองดูนะคะว่าเสือมันจะมาคาบหมูที่ผูกไว้เมื่อไหร่เสือมันรู้ตัวค่ะมันไม่ยอมโผล่มาคืนที่สองก็แล้วจนคืนที่3ก็แล้วดวงจันทร์ขึ้น8ดค่ำเนี่ยแสงมันจะสว่างจ้าแล้วนะคะยิ่งตามต่างจังหวัดยิ่งตามชนบทหรือว่ายิ่งตามเป็นภูเขาเป็นอะไรอย่างนี้ลมเย็นๆก็เริ่มโรยตัวลงมาเดือน1112 นะคะแต่ว่าเหล่านายพานก็ยังคงถือปืนจ้องไปที่หมูที่ผูกเอาไว้เสียงจิ้งหรีดกลางคืนก็พากันร้องจ้าจนแสบแก้วหูไปหมดพล น, นี่อ่าพลพลนเนี่ยเขาก็พร้อมใจกันหยุดรออ่าจิ้งหรีดนะคะขอโทษทีก็พากันหยุดร้องเสียงแมงกลางคืนก็พากันหยุดร้องเสียงทุกอย่างเงียบกริบแม้แต่ลมค่ะลมยังไม่พัดด้วยซ้ําตอนแรกลมโชยมานะ แต่ว่าพอสักพักหนึ่งเสียงสัตว์ตอนกลางคืนก็เงียบเสียงลมก็เงียบไม่มีเสียงอะไรเลยเป็นที่น่าแปลกประหลาดใจของชาวบ้านแล้วก็ของพรานที่คอยดักสักพักลมก็พัดเอื่อยมาคราวนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้พัดมาธรรมดาแต่ว่าพัดมาได้กลิ่นได้กลิ่นของเสือนะคะได้กลิ่นสาบแล้วก็ร่างของเสือก็ปรากฏขึ้นหมูที่ผูกไว้มันรู้ว่าภัยมันมาถึงตัวแล้วอะ มันก็ดิ้นรนอย่างสุดชีวิตเพื่อที่จะให้เชือกที่ผูกมัดไว้กับตอไม้นี่หลุดออกแต่ก็ไม่พ้นจากกรงเล็บของเจ้าลายพาดกลอนไปได้ในพรานก็เลยถึงกับพงังอะเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นเสือที่มันตัวใหญ่มาก่อนพอตั้งสติได้ก็ยกปืนแก๊บนะคะเล็งขึ้นแล้วก็วาดกระบอกปืนไปที่ร่า ง, ง เ, สเสือเสียงปืนดังปั้งสนั่นวันไหวทุกคนเห็นชัดๆค่ะว่าเสือเนี่ยกระเด็นกระดอนไปตามแรงของปืน แต่อะไรทําไมมันลุกขึ้นยืนแล้วก็สะบัดขนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ได้คาบเอาเหยื่อแล้วก็เดินหายลับลับตาไปต่อหน้า ต, ต่อตาพรานคงแล้วก็พ่านวินคือทุกคนนี่ตะลึงอ้าปากทา้องรุ่งเช้านะคะพอตอนเช้ามาทุกคนก็ออกตามรอยเสือไปแต่มันไม่มีค่ะประหลาดมากไม่มีแม้แต่รอยเลือดของเสือแต่ว่าเลือดของเหยื่อเท่านั้นนะคะที่อ ปืนของนายพรานทําอะไรมันไม่ได้เลยเหรอข่าวเสือร้ายบุกเข้าไปคาบสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนายอำเภอแล้วก็ตํารวจเนี่ยก็ได้ออกมาไล่ล่านะคะออกมาไล่ล่าเสือแต่ว่าไม่มีรวิแววของเสือมาให้เห็นเลยแม้แต่นิดเดียวจนกระทั่งออกพรรษาค่ะทุกคนลงความเห็นว่ามันคงเพ่นไปไกลแล้วแหละมันไม่ได้มาอยู่หมู่บ้านนี้แล้วแหละคือต่างคนก็ดีใจค่ะที่จะได้ไม่ต้องขวัญ น, นีดีฟอกันอีกครั้งแล้วก็ต่างประกอบอาชีพกันตามปกติ คือหลังจากเอาพันษาไปได้ว3วันลูกสาของพรานคงแกเอาขนมไปให้ยายที่บ้านท้ายทุ่งก็ถูกเสือคาบไปกินร่องรอยเสือกัดแทะกระดูกตับไตเส้พุงคือหายหมดเลยคือเหลือแต่กระดูกอะ่ะคือมันต้องเป็นเสือตัวเดียวกันตัวเดิมแน่ๆนชาวบ้านมาแหวงเนี่ยเขาก็แบบว่าโหยนึกว่ามันหายไปแล้วนี่อะไรตอนแรกกินวัว ก, กินควายกินหมูกินหมาตอนนี้กินคนอ่าเริ่มผวาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ แล้วก็ไม่กี่วันถัดมามีเด็กถูกเสือข่าไปกินอีกเป็นรายที่สองเป็ดไก่วัวควายก็เริ่มทยอยหายไปอีกรอบหนึ่งในที่สุดชาวบ้านาก็อพยพหนีเสือกันจนเกือบจะหมดหมู่บ้านพากันทิ้งข้าวทิ้งนาที่กําลังเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็กําลังออกรวงเหลืองอารามเลยทําต่างความเงียบแล้วก็ความน่ากลัวค่ะก็ได้มีวัวเทียมเกวียนบรรทุกขายสินค้า พาสองสามีภรรยาวัยชาราเรียกว่าแก่มากแล้วผ่านมาพบกับชาวบ้านชุดสุดท้ายที่เตรียมอพยกรูปมีออกจากหมู่บ้านพอชายชาราเห็นนะคะก็เลยถามไ ด, ได้ได้ความว่าเสือร้ายเนี่ยมันมาก่อกวนจนเหลือจะทนละคือพอเท่าทั้งสองก็เหมือนกันต้องรีบออกจากหมู่บ้านก่อนมืดเดี๋ยวจะไม่ทันการชายชาราได้ฟังก็พูดขึ้นว่า มันเย็นแล้วไม่เห็นจะทันแล้วมันไม่ทันแล้วและขอร้องให้แบบทุกคนอยู่แต่ในที่พักคือหากว่าคืนนี้เนี่ยมันมีเสียงอึกทึกคลึกครมอะไรก็แล้วแต่ห้ามออกมาดูเด็ดขาดคือส่งเสียงเป็นอันขาดด้วยยายก็ได้ไปชวนพวกผู้หญิงทาอาหารเย็นไว้กินก่อนที่จะมืดฝ่ายตาก็เข้าไปทำพิธีในเกวียนนะคะคืนนั้นเป็นคืนวันเพ็ญเดือน12ค่ะแสงจันทร์ก็สตว์องมาให้เห็นอะไรในตอนลงคืนได้ ได้ดีเลยทีเดียวนะคะเทียบเท่าตอนกลางวันเลยเวลาผ่านไปเลยเที่ยงคืนแล้วะคะ่ะลูกเลอะอ่าลูกเด็กลูกเด็กเล็กแดงได้นอนหลับกันไปหมดแล้วยังคงมีแต่พวกผู้ใหญ่ที่คอยยิ้มหูฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทุกคนต่างก็สะดุ้งนะคะไม่ได้ยินเสียงใจหายใจฟืดฟาดคือเสียงดังอะ่ะเหมือนวัวควายชนกันกลางแสงจันทร์คือควายสีดํานะคะตัวดําเลยแหละเป็นมันล่ําผีสองตัวกําลังต่อสู้กับเสือขนาดมั่งือมา ควายตัวหนึ่งถูกแรงตบจากเสือกระเด็นกระดอนไปแต่ว่าควายอีกตัวกระโจนเข้าขิดทันทีนะคะเมื่อเสืองับคอควายที่กระเด็นไปนอกจากจะไม่ระคายผิวหนังควายแล้วเสือยังถูกแรงสะบัดหลุดกระเด็นแถมถูกซ้ำด้วยการขิดของควายเข้าที่ด้านหลังในที่สุดค่ะเสือก็พยายามหนีเพราะว่าควายสองตัวนี่รุมเสือไม่ให้ตั้งตัวติดเลยนะคะ และในที่สุดขา่าควายตัวหนึ่งพุ่งชนร่างเสือกระเด็นลอยสูงไปตกกับหลังคากระท่อมจากนั้นมันก็กระโจนหายไปอย่างไม่รู้ทิศทางแล้วก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนนะคะคือควายสองตัวเนี่มันสะบัดหัวสะบัดหางเฉียดกวนสองตายายแล้วร่างควายทั้งสองก็หายวับอะสแสดงว่าไม่ใช่ควายธรรมาดาอันนี้น่าจะเป็นควายธะนูนลแหละนะคะคือเท่าที่เท่าที่ฟังดูจากผู้หลักผู้ใหญ่เขาเล่ามา ะะรุ่งเช้าวพวกชาวบ้านที่ยังเหลืออยู่ก็พากันดีใจค่ะเตรียมหาอาหารข้าวหวานเพื่อนำไปทำบุญเพราะว่าเรื่องเรไราเนี่ยมันมาลายหายไปแล้วชาวบ้านไม่ลืมที่จะชวนสองตายายไปใส่บาตรด้วยกันเพราะว่าพวกชาวบ้านก็พากันตะลึงอ้าปากค้างก้าวขาไม่ออกเพราะภาพที่เห็นที่วัดนั้นนะคะที่หน้าโกติร่างของหลวงพ่อหรือว่าหลวงตานอนหายใจรวยรินค่ะตามตัวมีบาดแผลชะกันหลายแห่ง เลือดส ด, สดๆไหลกระลออกมาจากบาดแผลคือตามร่างกายชุ่มไปด้วยเลือดจมูกแล้วก็ปากก็มีเลือดไหลอะไรหรือนั่นที่ท่อนล่างท่อนเอวคือเป็นร่างของเสือลายพาดกลอนเหลืองดาหางสันลิกละลิกแสดงว่าใกล้สิ้นใจแล้วนะคะสายตาของหลวงตาก็เต็มไปด้วยความเศร้าส้อยเหมือนจะบอกว่ามีใครบ้างอยากตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ทุกอย่างเป็นกฎของกรรมโดยแท้ค่ะ เพราะเป็นพระแทนที่จะเจริญศีลภาวนากลับมุ่งร่ำเรียนเดรัจฉานวิชาผลก็เลยออกมาเช่นนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟัง